วันนีนะเพื่อนร่วมทุกๆุกคนได้มีโ อ, อกาสมาพบปะเจอๆกับญาติธรรมที่เป็นเพื่อนร่วมทุกซึ่งการมาเรือนจํานี้แต่ละครั้งเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากเพราะว่าที่เนี่ยเป็นเรือนจําแห่งแรกที่ผมได้เข้ามาทําประโยชน์ที่นี่ได้เข้าเรือนจําเป็นครั้งแรก และนี่เป็นครั้งที่สามก็ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาในเรือนจําเนี่ยก็รู้สึกว่ากระตือรือร้นมากและยิ่งจะได้มาพบกับเพื่อนร่วมทุกเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมาซึ่งมองดูแล้วนะมันทวนกระแสกับญาติธรรมเขาจะเรียกาญาติธรรมนะเราเป็นญาติการทางธรรมมันทนกระแสกับทุกท่าน ขอถามว่าใครอยากมาเรียนจำบ้างไม่อยากมาใช่ไหมแต่มันตรงข้ามนะแต่พวกเรานี่ยอยากมาทุกคนอยากจะมากระตือรืร้นมากทุกครั้งที่ถูกเชิญมาเรียนจําเนี่ยจะไม่ปฏิเสธเลยไม่ปฏิเสธเลยทําไมเป็นอย่างนั้นตอบได้ไหมไม่ใช่ว่ารังเกียจหรือไม่ใช่ว่ามาต้องการอะไรเพราะว่าที่แห่งเนี่ย ไม่ได้มากัง่ายๆหรอกถูกไหมต้องถูกรับเชิญเข้ามาพวกเราต็ถูกรับเชิญเข้ามาใช่ไหมเขาเชิญเข้ามาแล้วก็มีคนมาคอยดูแลเรียบร้อยผมก็เช่นเดียวกันถูกรับเชิญเข้ามาต้องตรวจสภาพเหมือนกันหมดเนี่ยผมก็ถูกตรวจมาแล้วห้ามเอามือถือเข้ามาห้ามเอาสิ่งของเข้ามาเหมือนกันหมด เรายิ่งได้มาทําประโยชน์เนี่ยถือว่ามาแบบมีเกียรติพวกเราก็เช่นเดียวกันนะกําลังนั่งฟังเนี่ยพวกเรานี่คือทําประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญให้ผมได้ทําประโยชน์ถ้าไม่มีพวกท่านเนี่ยผมทําประโยชน์ไม่ได้เลยอันเนี้ถือว่าเรามาร่วมกันทําประโยชน์ทําไมผมจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าชีพเมาก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังไม่พิการเลยนะ ตอ น, น, นอายุ24พอส22แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการทำประโยชน์ไม่เคยเป็นสนใจตัวเองทำตามกิเลสตั้งเพื่เธเพือพ่อคือเรียนจบแล้วต้องหาเงินให้มากๆจะได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงสูงจะร่ารวยมีบ้านมีครอบครัวคิดแต่เรื่องทำตามกิเลสทั้งนั้นไม่เคยทำประโยชน์อะไใครแล้วที่มาสำนึกได้ก็ตอนที่ หลังจากที่กระโดดน้าลงไปจมลงไปช่วยตัวเองไม่ได้ทีนี้ว่าอดทนอยู่ในน้านะ่ะสักระยะหนึ่งในช่วงที่กำลังต่อสู้ที่เอาชีวิตรอดนั้นนะ่ะมือไม้เนี่ยขยับไม่ได้เลยนะจมนิ่งอยู่ก้นสะัะอีกช่วงที่จะจบชีวิตลงตอนนั้นนะในช่วงนั้นนะ่ะมันมีความคิดแคบเดียวเพราะเรารู้ว่า พอรักไนะว้นะาเขาไหว้ผ่านไปเนี่ยเขาช่วยเราไม่ได้แล้วช่วงระยะสั้นๆเดี๋ยวคิดว่าเราจะต้องตายแล้วคิดว่าจะต้องตายแล้วแล้วมันมีความคิดฉุดไหมว่าถ้าเราตายในตอนนี้เนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจแล้วเนี่ยเราเองก็จะต้องเสียใจเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทําประโยชน์กับใครเลยแล้วต้องมาตายตอนเนี้ยถ้าจิต ด, ดับไปตอนนั้นปั๊บเนี่ยผมต้องตกอบอายภูมิแน่นอน ต้องตกนรกแน่นอนเลยเพราะจิตใจมีแต่ความกังวลไม่มีความมั่นใจในชีวิตแต่ว่าเพลิญโชคดีจิตจุดท้ายที่จะดับน น, นึกถึงคุณพ่อคุณแม่โอ้าะลุว่าเราต้องไปเสียชีวิตอย่างนี้นี่ถ้าต้องเสียใจแน่นอนนึกถึงจุดเนี้ยนึกถึงคนที่มีพระคุณมากที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่แมก็เลยทําให้รอดชีวิตมาได้มีคนลงไปช่วย พอราชีวิตมาได้แล้วเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะทําอะไรดีคิดแต่เรื่องทํำยังไงดีเราจริงจะหายเราจรึงจะเดินได้แต่อยู่มาวันหนึ่งได้มาศึกษาธรรมะจึงมาคิดว่าอ๋อนี่เราเองเนี่ที่ต้องพิการอย่างเงี้ยมันมีเหตุมันมีเหตุความเป็นมาทําไมเลยต้องมาเป็นคนพิการทําไมเราต้องเป็นครูสอนวิชาพึกษาทําไมเราต้องไปกระโดดน้ํา เขาจะบอกว่าคนที่พิการหรือคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บคนที่อายุสั้นก็เพราะว่าเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นทรมานเขาฆ่าเขาัอเ น, นี้ยมันเป็นผลเขาเรียกผลกรรมซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะแต่มันเป็นมาแล้วสำหรับเราเขาว่าคนที่มีฐานะยากจนถูกคดโกง แล้วก็ถูกอับเปรียบสาเหตุเกิดมาจากว่าผิดสินข้อสองลักขโมยแล้วก็ อ, อจีป้ปล้นผู้นี้ยเป็นสิลข้อสองที่ทำให้มีปัญหายากจนถูกคดโกงถูกอับเปรียบคนที่เป็นตุ๊บเป็นทอมสภาพจีดผิดปกติเนี่ยเกิดจากผิดสินข้อสามคนที่ พูดจาอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่อปากไม่สวยปากเหม็นอันนี้ผิดศีลข้อสี่แต่คนที่โง่เง่ า, งาไม่รู้บาปบุญคุณโทษผิดศีลข้อที่ห้าคือื่มสุลาข้อที่สี่คือพูดเท็จศีลห้าข้อเนี่ยเราสังเกต ด, ดูเิยชีวิตเราเนี่ยถ้ารสาสักษาศีลห้าข้อนี้ได้เนี่ยอาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นคือพิการคือมีโรคไปไข้เจ็บ คือมีความยากจนจิตใจผิดปกติเป็นคนพูดแล้วไม่มีใครเชื่อถือเป็นคนที่โง่ถ้ามีแค่สีข่ขห้าเนี่ยอาการนี้จะหายไปอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีจริงไหมเราก็ไม่เชื่อแต่ว่าฟังดูหรือได้ศึกษาธรรมมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่เชื่อสมมติ น, นะเราไม่เชื่อนะเราอยู่ในโลกเนี่ยเราไม่เชื่อว่า บาปบุญคุณโทษไม่มีจริงหรอกเราไม่เชื่อเราก็จะทําความผิดเมื่อเราทําความผิดแล้วเนี่ยเราผิดศินทั้งห้าข้อเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีความสุขเราเองก็ไม่มีความสุขถ้าเราทําความผิดไปแล้วเราไม่เชื่อคนอื่นก็เดือดร้อนและเวลาเราตายไปอถ้าโลกหน้ามันไม่มีจริงก็มไม่เป็นไรแต่ถ้าโลกหน้ามีจริงเนี่ยเราเดือดร้อนเลย โลกนี้ก็ม่มีความสุขโลกหน้าเราก็ไม่มีความสุ ข, สขอันนี้คือคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ทําความผิดแต่คนที่เชื่อล่ะถ้าเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงเนี่ยเราก็จะไม่ทําความผิดเมื่อไม่ทําความผิดโลกนี้เราก็อยู่อย่างมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขถ้าตายไปนี่ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงเราก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าโลกหน้ามีจริงเนี่ยเราได้รับความสุขอีกในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนแล้วก็ไอ้การทําตามนั้นจะทําตามได้แค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับเราเชื่อไว้ก่อนผมเองก็เชื่อแบบนั้นจริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยต้องผิดศีลข้อนหนึ่งถึงต้องพิการตลอดชีวิตก็เลยศีลข้ อ, อ, นอนหนึ่งเนี่ยเรียกว่า รักษาจนสุดชีวิตเลยเราทั้งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าสีลห้านี่มีครบอันนี้คือรักษาสีให้กับตัวเองดีเพราะไม่ชั่วแค่มีศี่ห้านี่เราเป็นคนดีแล้วนะดีเพราะไม่ชั่วก็ยังไม่เพียงพอเราต้องดีเพราะทำดีด้วยคือการทำประโยชน์ให้กับ บุคคลอื่นกับส่วนรวมอันนี้ตัวว่าเป็นโบนัสสหรับชีวิตเรานังการเข้ามาในครั้งนี้ก็ถือว่าเข้ามาทำประโยชน์ให้กับตนเองและก็คนอื่นอย่างน้อยก็มาให้แง่กิดให้กำลังใจมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมอันนี้ไม่ใช่คนเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมสอนธรรมะโดยอาศัยความพิการอุปกรณ์ของพระธรรมแล้วก็มาช่วย ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทช่วยพระ เ, เจ้าสอนธรรมะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองต้องทำให้มากสุดตั้งแต่ผมได้ใช้ชีวิตช่วยเหลือคนอื่นมาเนี่ยชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆแค่มีศีลห้าประจำใจแล้วก็ทำประโยชน์เนี่ยชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่โ ก, กโกหกนะถ้าโกหกนี่ผมผิดศีลข้อที่สี่แล้วนะซึ่งผมรักษามากเรื่องโกหกนี้ชีวิตผมเปลี่ยนดีขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะนั้นที่อยากจะบอกว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีความใฝ่ดีอยากเป็นคนดีผมเชื่ออย่างนั้นแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเป็นคนดีไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะคือเอาไว้จากตัวเองเป็นสำคัญดูจากตัวเองแล้วก็เอามาเอาสบการณ์เนี่ยมาให้ท่านคิดดูที่ว่ามันเป็นจริงไหมเราอยากมีสีลห้าสมมุตินะ ทำไมศีลห้าเราจรึงไม่ครบเราอยากเป็นคนดีทำไมเราจรึงเป็นคนดีไม่ได้ทีอยากจะมีความสุขทำไมเรามีความสุขไม่ได้ทีอันนี้ผมให้แง่คิดมีอยู่สามประการที่ทำให้เราเป็นคนดีไม่ได้เป็นชีวิตไม่ได้มีอยู่สามประการคือมีขาดสามขาดขาดที่หนึ่งคือขาดความอดทนขาดที่สองคือ ขาดกำลังใจขาดตอนที่สามคือขาดสติสามอย่างเนี่ยไอ้สามขาดเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยต้องบกพร่องเสมอๆเอปลี่ยนชีวิตไม่ได้เพราะไอ้สมขาดอันดับแรกคือขาดความอดทนอย่างเช่นว่าเราอยากจะเลิกดื่มสุราสมมุตินะอยากเลิกดื่มสุราการเลิกดื่มดื่มสุราเนี่ยถือว่าเป็นคนดีได้แล้วนะ เพราะศีลห้าเนี่ยผิดข้อสุราข้อเดียวเนี่ยทุกอย่างมีโอกาสผิดได้หมดเลยทั้งสี่ข้อใช่ไหมเพราะสุรานี่ร้ายแรงมากผิดข้อเดียวเนี่สามารถที่จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป่าพิษประารกรามพูดโกหกได้เพราะพิดศิลข้อห้าข้อเดียวเพราะเราว่าอยากจะเลิกศีลข้อห้าเนี่ยอยากจะกรักษาศีลห้าไว้เนี่ย ทำไมเราเถียงไม่ทำไม่ได้เพราะเราขาดความอดทนเวลามีอารมณ์มายั่วแดดรม่มลมตกมันเปรี้ยวป่าเกินอาการนี้มันมายั่วแล้วก็แอลกอฮอล์ในในเส้นเลือดมันวิ่งพล่านพยาดตื่นอันนั้นไม่ทลายนะแอลกอฮอล์ในจิตใจเนี่ยโหร้ายแรงมากยังไงต้องไปหาดื่มเนี่ย ถูกอารมณ์อยากดื่มมันยั่วแล้วเราก็เชื่อมันซะด้วยแล้วเราก็ไปดื่มเพราะดื่มสุราปั๊บดื่มแล้วมันก็ติดถูกไหมถ้าไม่ดื่มไม่ติดนะดื่มแล้วติดพราะติดขึ้นมาแล้วมันก็อยากดื่มอยูใช่ไหมมันอยากดื่มพราะดื่มแล้วมันก็ติดติดแล้วมันก็อยากมันก็วนเวียงอย่างนี้นะ เพราะเราไม่อดทนกับความอยากเราจึงต้องวนเวียนในการดื่มการติดการอยากเช่นเดียวกับบางท่านเนี่ยก็เนี่ยเวียนไหวตายเกิดอยู่ในเรือนจําเนี่ยเดี๋ยวอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างไหนเพราะว่าอดทนกับไอ้ความอยากแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไ้ความอยากสําคัญมากนะทุกคนมีมีหมดเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอริยะเกิดความอยากเพราะเราไม่อดทนความอยากมันเที่ยงไหม ถ้าอดทนมากๆเนี่ยมันหายยากได้นะใช่ไหมเราฝึกความอดทนการอดทนเป็นการปฏิบัติธรรมคนที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือประสบผลเสียในชีวิตได้นั้นต้องมีความอดทนเป็นหลักอะไรก็ตามที่ไม่อดทนเนี่ยมันอยู่บนโลกนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมแก้วที่มันหล่นแตกเผลงแก้วมันไม่ทนมันจะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะคนที่มีความอดทนนั้นจะอยู่บนโลกนี้ได้นานอดทนต่อความยาก สิ่งสำคัญมากอันนี้คืออดทนกับความโกรธเราทำความดีไม่ได้ถือศีลไม่ได้เพราะว่าเราไม่อดทนกับความโกรธอยากจะทำความดีแต่เกิดความมึกมิจฉาใจเนี่ยเราไม่ทนแล้วเราก็ดีแต่มีเรื่องรล่าว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีนี่เป็นคนขี้โกรธมากขี้โกรธชอบดุด่าว่ากล่าวภรรยาเสมอเสมอ วันหนึ่งสามีคิดอยากจะเป็นคนที่เป็นคนไม่โกรธฝึกทาบุญไว้อยากทำบุญมากๆจะได้ไม่โกรธเกิอชวนภรรยาว่าให้ภรรยาเนี่ยไปซื้อเครื่องสังฆทานมาอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะซื้อเครื่องสังฆทานมาเพื่อจะเอาสิ่งเนี้ยเอาไปถวายพระที่วัดภรรยาซื้อมาให้เรียบร้อยเลยกระป๋องเหลืองกระแปงเหลืองสีดำสีเหลืองเงี่ยมีเครื่องสังฆทานเต็ม ทีนี้ว่าเครื่องสังฆทานเนี่ยมันจัดไม่เรียบร้อยสามีเป็นคนเจ้าระเบียบคนเจ้าระเบียบีบยบมักจะขี้โกรธเพราะอะไรก็ไม่ได้อย่างใจใจเราก็ไม่ได้อย่างใจเราเครื่องสังฆทานเนี่ยเขาจัดมาเรียบร้อยแล้วแต่สามีไม่พอใจเพามันไม่เรียบร้อยให้ภรรยาจัดภรรยาบอกว่าอา้าวไหนๆพี่จะไปทําบุญแล้วพี่ก็จัดสิพี่จะได้ไปทําบุญจะได้บุญมากโอ้สามีโกรธแลยเตะ ถังสังฆทานกระเด็นเลยกูไม่ทําหน้าบุญเลยอดทนกับความโกรดนิดเดียวไม่ได้ป่ะเตะถังสังฆทานเลยถแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดีไม่ได้เพราะว่าเราขาดความอดทนจากอารมณ์ที่มายั่วให้รักมายั่วให้ชอบมาช่วยที่จะอยากได้แล้วก็ทําตามเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็ไม่อดทนกับอารมณ์โกรธความโกรธมันเที่ยงไหมทุกคนเคยโกรธไหม ตอนนี้มันมีไหมเนี่ยอาจจะมีตอนที่ผมพูดมากนี่ก็ได้ความโกรธมันไม่เที่ยงอดทนสักนิดหนึ่งหัวเราย่อความโกรธมันสับ้างแต่เราก็จะเป็นฝ่ายชนะความโกรธเขาจะบอกว่าเวลาโกรธนับหนึ่งถึงสิบนับเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ความโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงให้เราเห็นว่าเดี๋ยวมันก็หายทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกเนี่ย ว, วันนี้เราเห็นหน้ากันเนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับท่านก็อยู่ แล้วต่อไปผมเข้ามาอีกท่านก็ออกไม่มีใครอยู่ที่ตลอดเวลาตลอดชีวิตมีไหมไม่มีทุกอย่าง ม, มีการเปลี่ยนแปลงขอใสความอดทนนิดนึงมันอยากได้อยากดีอยากไม่อยากเป็นทนอยู่ก่อนเดี๋ยวมันก็จืดจางเขาถึงเปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนสามีกันบ่อยๆเพราะมันเบื่อหน้าความโกรธยิ่งแล้วต้องอดทนกับมันถ้าเราชนะได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะชนะตลอดเลยอดทน ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้และอีกอันหนึ่งก็คือขาดกําลังใจคนเรานั้นอยากทําความดีอีตอนคิดอยากทําความดีเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่พอนานวันไปนี่ไอคิดอยากทําความดีนี่มันหมดไหมมันมีโอกาสหมดไปได้นะเราต้องมามีการเสริมกําลังใจให้มันคิดบ่อยๆอย่างน้อยถ้าเรามองเห็นประโยชน์ของการทําความดี เห็นว่าประโยชน์มันเป็นยังไงนั้นมันก็จะคิดอยากจะทำเรื่อยๆแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของการทำไม่ดีเนี่ยเรามองทุกข์โทษบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากทำชั่วสังเกตดูนะนเช่นเราจะเลิกสูบบุหรี่อยากทำความดีไหมล่ะสูบบุหรี่ทุกเป็นการอยากทำความดีนะบุหรี่นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ผิดศีลข้อห้าเหมือนกันเป็นสิ่งเงสพติด เครื่องดองของเมาไม่ดองแต่มันก็เมานะบุหรี่เคยไหมดื่มเหล้าเมาบุหรี่เพราะฉะนั้นคิดอยากจะเลิกบุหรี่เราต้องมีกําลังใจในการที่จะเลิกมันสมมุตินะอาจจะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าหรือเลิกทําความชั่วก็ได้เราต้องมีกําลังใจเห็นทุกเห็นโทษของสิ่งนั้นบ่อยๆเราก็ไม่อยากไปเสพใช่ไหมเช่นว่าไฟนี่มันร้อน ถ้าเราไปจับมันก็ร้อนเราเห็นโทษของมันแล้วมันทำให้ร้อนเราจึงไม่ไปยุ่งกับไฟบุหรีเล่าความชื่อความเลวทั้งหลายถ้าเรามองถึงทุกโทษของมันมบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่อยากทำมีอยู่ลายลายหนึง่งเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยสูบบุหรีจัดจนหมอบอกว่าถ้าสูบต่อไปเนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งเพราะว่าปอดเนี่ยมีจุดมากมาย เขาพยายามจะเลิกก็เลยเข้ากรรมาฐานปฏิบัติธรรมเพื่อเลิกบุหรี่อย่างเดียวพอชีวิตนี้ช่งชีวิตถ้าเลิกบุหรี่ได้แล้วก็ถือว่าบรรลุธรรมเลยเอาขนาดนั้นเลยเดิมพันกันนั้นนะก็ได้มาคุยกับผมเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากเลิกบุหรี่เอาไม่เป็นไรไปเดินจงกรมการเดินจงกรมนั่นคือการเดินอย่างมีสติให้รู้สึกตัวก้าวเท้าแตะก้าวให้รู้สึกให้รู้สึก มันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องบุหรี่พอเดินไปเดินมาเนี่ยมันเกิดความอยากนะให้อดทนมันก่อนวันแรกทำได้ไม่สูบบุหรี่เลยพอวันที่สองเริ่มปฏิบัติอีกแต่คราวนี้ผมเห็นว่าในกระเป๋านี่ยังมีบุหรี่อยู่ในกระเป๋ามีบุหรี่อยู่ซองนึงแปดห้าถามว่าทำไมต้องมีบุหรี่ในกระเป๋าด้วยมันเป็นกาลังใจครับอาจารย์ อาบุหรี่มาเป็นกำลังใจเพื่อจะเลิกบุหรี่โอ้โหอ่ะบอกถ้าท่านไม่โยนบุหรี่นี่ทิ้งไปเนี่ยท่านเลิกไม่ได้หรอกแม่ขอดูสั้งแ่ไหก็ยังดีบอกถ้ามันอยากมากมากนี่เขาเอามาดมบอกสบายใจแล้วแค่นี้ก็มีแหงแล้วบอกอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยหรอกท่านยังรักยังอะไรในสิ่งที่ท่านเกลียดอยู่เนี่ยมันอยู่กับตัวท่านนะโอ้โหบรรลุนะมันอยู่กับตัวท่านนะท่านเลยเอาบุหรี่นี้คว้างทิ้งเลย ซองนี้ซองสุดท้ายถ้าผมจะสูบต่อผมขอสูบซองเนี้แล้วคว้างลงหน้าไปนะใจเดืยวขนาดนั้นให้กำลังใจตัวเองพราสุดเลิกได้จนบัา น, นี้ก็ไม่กลับไปสูบเราทำความดีไม่ได้เพราะเราขาดกำลังใจนั้นอยากจะทำความดีอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ต้องมีกำลังใจมองให้เห็นประโยชน์ซะแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของมันซะเราจะเลิกสิ่งนั้นได้เห็นไหม เรารักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเรารักเขามากเลยสวยสารพัดเมื่อเวลาเราไม่เห็นหน้าแต่ถ้าวันหนึ่งรู้ว่าไอคนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้จะอยู่กับเราเนี่ยเป็นผีกระสือไหวไหมโอ้ยสวยไงก็ไม่ไหวแล้วเดี็กกลางคืนไม่รู้ของใครนั้นมองทุกบงทุกใ บ, บ่อยๆเราจะมีกําลังใจที่จะทำขาที่สามสำคัญมากคือขาดสติ ขาสติตัวเดียวเนี่ยสินห้าก็ไม่ครบขาสติตัวเดียวนั้นก็ไม่อดทนถ้าขาสติมันก็ขาดกำลังใจขาสติสำคัญ น, นะถ้าเราขาดสติเนี่ยเราจะไม่รู้บาปบุญคุณโทษเลยถ้าขาสติเราก็ไม่มีคุณธรรมคนที่เป็นทุกข์มากเพราะขาดสติอย่างเช่นว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่สมมตินนะออกบุหรี่ครั้งหนึ่งถ้าเรามันเกิดความอยาก ถ้าเราขาดสติเนี่ยเราก็ทําตามความอยากใช่ไหยแต่ถ้าเรามีสติเนีไม่อยากเราจะเป็นคนดีถ้จริงเราจะเลิกไอ้สิ่งเนี้ยเพราะสติมันคอยช่วยยับยั้งชั่งใจมันก็สามารถเลิกได้เหมือนกันนะนั่งขาดแล้วขาดได้แต่อย่าขาดสติคนที่มีปัญหาเพราะว่าขาดสติผมเองนี่แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีสติพอใช้ชีวิตด้วยการมีสติแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแป ล, ปลงหมด มันทําให้เกิดความอดทนคนมีสติจะอดทนคนมีสติจะขยันคนมีสติมันจะมีแต่ความคิดดีๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนสาคัญมากคือการขาดสติต้องให้มีไว้สติเนี่ยมันไม่มีคําพูดมันไม่มีความหมายแต่มันมีความรู้สึกเมื่อกี้มีใครรู้สึกไหมว่าเท้ากาลังตบพื้นท่านมีสติแล้ว คนที่กำลังกํามือแบมือนั้นแล้วรู้สึกนั้นท่าท่านมีสติแล้วสติแปลว่าความระลึกได้คนเราเนี่ยถ้ามีความระลึกได้เนี่ยโอกาสทำผิดจะไม่มีเลยแล้วจิตเนี่ยมันจะผ่องใสเพราะความระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรอันนี้แหละคือตัวสติส่วนมากมีสติ แต่เราบางคนคิดหาคําตอบมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นล่ะทําให้เราต้องเผลอไปท้าเข้าท้องพื้นเรารู้สึกมือที่กำรรที่แบรนี่รู้สึกถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยจะให้ฝึกสติสักระยะหนึ่งถ้าเราฝึกไปนานๆเนี่ยจิตมันจะผ่องใสจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขยิ่งเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเนี่ยถ้าอยู่อย่างมีสติอยู่อย่ความมีความรู้สึกตัวเนี่ยชีวิตจะอยู่กับปัจจุบัน มันจะมีความคิดอะไรที่ปรุงแต่งทาให้เราเป็นทุกข์เรื่องราวในอดีตที่เราทํามามากมายนั้นไม่ได้ถูกตัดขาดอยู่ในอดีตเลยเรื่องราวอนาคตที่เรามีความกังวลอยู่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยไม่ได้ถูกตัดขาดไปจะอยู่แต่ปัจจุบันในเรือนธรรมแห่ง น, นี้แล้วชีวิตตรงเนี้ยมันจะมีความสุขที่เราไม่มีความสุขเพราะว่าเราคิดกังวลถึงอนาคตใช่ไหมรอเวลาเมื่อไหร่เราจะพ้นไปจากนี้ทีนี้ แล้วสิ่งที่เราทํามาผ่านมาเนี่ยบางทีมันเป็นหนามยอกอกทำเราต้องเจ็บอกเจ็บใจพอเราไปคิดถึงอดีตไม่อยากคิดมันก็คิดมีไหมไออยากจํากลับลืมไออยากลืมกับจําแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่คิดอะไรแบบนั้นชีวิตผมเนี่ยที่มีความสุขทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าอยู่กับปัจจุบันถ้าคิดถึงอนาคตเนี่ยผมต้องฆ่าตัวตายนะอนาคตเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วก็ใครจะมาดูแลเรา พ่อแม่เราก็ตายจากเราไปจะทำอย่างไรมันก็ต้องฆ่าตัวตายอย่างเดียวถ้าคิดถึงอนาคตอดีตที่ผ่านมามันก็เป็นสิ่งที่เราเสียดอกเสียดายเพราะมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยชีวิตมันจึงมีความสุขอย่างตอนเนี้ยเราไม่ต้องคิดอะไรเพราะกาลังฟังที่ผมพูดอยู่มันไม่คิดอะไรทุกไม่ค่อยเกิดแต่พอเริ่มคิดออกนอกอาคารนี้ไปเดี๋ยวเอาลวเป็นเรื่องลกลงวันนี้จะกินอะไรกับข้าวจะถูกใจเราไหม ไอคนที่อยู่บ้านจะคิดถึงเราหรือเปล่าอันนี้คือปัญหนานของความทุกข์เราั้นเรามีสติอยู่เสมอๆ อ, อยู่เฉยแล้วก็นั่งกำมือแบบมือเล่นให้รู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติธรรมง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นให้เราฝึกไว้บ่อยๆทำอะไรก็มีความรู้ตัวมันจะรู้จักตัวเราที่เราเป็นทุกข์เพราะเราจิตใจล่องรอยใช่ไหมเคยไหมจิตใจล่องรอยตรงนั้นแหละไม่อย่างเราไม่มีชีวิตอยู่เลย ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยเรากลายเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อยู่ด้วยกันยี่สิบคนเนี่ยเหมือนคนคนเดียวกันเพราะเรามีความรู้สึกตัวอันนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลมีสติบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นบุญขึ้นที่จิดใจบ่อยๆศีลห้าไม่ครบเพราะขาดสติสติเป็นผู้รักษาศีล น, นะถ้าขาดสติเนี่ยมันผิดอย่างนั้นน่ะใช่่หมบาีโอ้เราไม่น่าเลย มีหมดก็ไปแล้วเราไม่น่าเลยพูดโก้ก็ไปแล้วถ้ามีสติแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะลงตัวถ้าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีความสุขคนเรานี่มันเปลี่ยนได้คนที่เป็นคนเลวเพราะว่าทําผิดคนที่เป็นคนดีเพราะทําถูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความประพฤติความชั่วความดีนั้นที่มันออกมาจากจิตใจนั้นทุกคนย่อมมีทุกคนยอมม่นยอมคิด ไม่ถูกต้องแต่ว่าการทำตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเราจะไปต้องทำตามความคิดเสมอไปไหมคนที่ทำตามความคิดเนี่ยมันเหมือนอย่าง ก, กับว่าชีวิตที่คนตามบอดคนตามบอดเนี่ยเขาจะมีหมานำชีวิตที่มีแต่หมานาเนี่ยนั่นคือต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นที่นำทางเราก็เช่นเดียวกัน ถ้ามันเกิดความคิดนำทางขึ้นมาเนี่ยเราอันตรายแล้วเพราะความคิดเนี่ยบางทีมันคิดผิดใช่ไหมแล้วก็ทำตามทุกทีแล้วก็ต้องผิดอยู่เรื่อยไปทุกครั้งที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งทำตามมีสติรู้ทันมันก่อนการกรองกันว่ามันคิดแล้วเราทำไปแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเรามองถึงผลทันทีเลยแลวจะไม่มีทางทำผิดเลยคนเราพอทาไปแล้วเนี่ยมาโดนผลที่หลังโอ้เราไม่น่าทำอย่างนี้เลย เคคิดอย่างนั้นไหมแต่มันทําไปแล้วแล้วมันคิดขึ้นมาอย่าเพิ่งทําตามให้มีสติรู้ทันก่อนผ่านพระสติก่อนแล้วจะไม่มีทางทําผิดเลยบางคนบอกว่าโอ้ไอ้นี่ยง่า ย, ายบาปบุญคุณโทษเดี๋ยรู้มาหมดกิเลสไม่ดีอบายมุขไม่ดีความช่วยไม่ดีรู้หมดเลยรู้หมดเลยแต่มันอดไม่ได้ แต่ว่าขาดเพราะขาดสติคอยยันยังทางใจแล้วเราสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ด้วยการประพฤติเปลี่ยนที่ความประพฤติเนี่ยอาจจะคิดไม่ดีไม่เป็นไรเราไม่ทําตามก็แล้วกันแล้วก็เป็นคนดีแล้วนะไม่ทําตามในความคิดที่มั น, มนโชว์ตัวว่าไม่ดีขึ้นมาถ้าท่านสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ท่านจะมีความสุขความสุขนี่ไม่ใช่เกิดจากที่เราไปดูหนังฟังเพลง ได้สิ่งที่เราชอบใจไม่ใช่อันนั้นเป็นสุขไม่แน่นอนสุขจอมปลอมสุขที่แท้จริงนั้นสุขเกิดจากการทําสิ่งที่มันยากได้สําเร็จเคยไหมเคยภูมิใจไหมทําสิ่งที่เราทําได้ยากๆก็ทําทได้สําเร็จการเปลี่ยนชีวิตนี้มันยากมากแต่ถ้าเปลี่ยนได้สาเร็จแล้วก็มันจะมีความสุขเป็นสุขที่ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งภายนอกเลยไม่เชื่อลองเลยอะไรก็ตามที่เราทํำยากๆเนี่ย ลองอดทนทำให้มันผ่านแล้วนกะ็พอผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขตามหลังเป็นรางวัลอันนี่เป็นข้อเสนอนะลองทำดูสิ่งที่ยากทำไปแล้วจะมีความสุขเป็นสุขแบบชอบทำเพราะนั้นให้เราคิดเสมอว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีได้ของใครใครก็รักชีวิตใครใครก็รัก เรารักชีวิตเรายังไงเราก็รักชีวิตคนอื่นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการปลูกฝังในความสุขของเราคนทุกคนเนี่ยเกลียดความทุกข์รักความสุขเป็นอย่างนั้นไหมเกลียดความทุกข์รักความสุขของของเราเราก็ไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครมาจิงมาแย่งของของเราก็เช่นเดียวกันความสุขเนี่ยขอเสรินิดหนึ่งว่าความสุข ไม่ใช่มีเฉพาะว่าจะต้องมีเงินมากๆคนมีเงินมาก ๆ, ๆเนี่ยก็มีความทุกข์นะคนที่รวยมาก ๆ, ๆเนี่ยขาก็มีความทุกข์ความรวยเพราะนั้นเงินทองเป็นเพียงแค่เครื่ อ, องอำนวยความสะดวกคนที่มีเงินมากก็มีความทุกข์คนที่มีบ้านหลังใหญ่บางทีก็นอนไม่หลับคนที่ฆ่าตัวตายนะเพราะเป็นคนรวยนะ <c oughs> ไม่ใช่คนจนนะคนจนไม่ค่อยฆ่าตัวตาย คนรวยนี่ฆ่าตัวตายเยอะเป็นโรคจิตโรตคสาทก็เยอะความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ใจเนี่ยเราต้องมีเงินมากไห่ถึงต้องมีความสุขไม่จำเป็นนะเงินไม่ใช่เครื่องหมายของความสุขเงินเป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกเท่านั้นใช่ไหมอยู่ที่การวางใจให้ถูกต้องการมีอาชีพที่สุดจริต จะมีความสุขอาชีพสุจริเที่ที่มีความสุขสุขเกิดการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอีกการหนึ่งคือเคล็ดลับการมีความสุขคือความพอใจใจอย่างเดียวยังไม่ถูกต้องต้องเกิดจากความพอใจความสุขเกิดจากความพอใจอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราเราประกอบอาชีพไปสักอย่างหนึ่งได้ค่าตอบแทนวันละหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยนะถ้าเราไม่พอใจหนึ่งร้อยเนี่ยเรามีความสุขไหมมันน่าจะได้สักสองร้อยน่าได้สักห้าร้อยมันจะได้เหมือนคนอื่นแต่ถ้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเอ้าเอาละวันนี้แค่หนึ่งร้อยไม่เป็นไรเไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าค่อยหาใหม่พอใจในหนึ่งร้อยเนี่ยมันเป็นความสุขแนละ้วเหมือนคนที่กินข้าวมื้อหนึ่งพอใจในมื้อ น, นั้น ก่อนกินข้าวเนี่ยเราหิวใช่ไหมหิวเป็นทุกข์แล้วเป็นสุขเนี่ยแตวตอนนี้บางคนอาจจะเป็นทุกข์มากกว่าหิวก็ได้หิวเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทานอาหารขนาดทานไปแล้วเนี่ยมันอยู่จุดหนึ่งจะเป็นจุดที่อิ่มทุกข์มันหายไปแต่ถ้าอาหารมื้อนั้นมันอร่อยอะต้องต่อยหนึ่งจานสองชานเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมเวลาอิ่มเกินไปเห็นม มันเกินพอดีมันจะเป็นทุกข์ถ้ากินแค่อิ่มเดียวเนี่ยมันก็คลายทุกข์ได้แล้วคือความสันโดษพอใจสิที่มีที่เป็นมีเรื่องอะไรผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องชาวประมงชาวประมงเนี่ยมีอาชีพจับปลาออกไปจับปลาจับปลากลับมาได้หนึ่งลำขายปลาเสร็จนอนพักผ่อน ดีกล้วยมาใบ ป, ปอกกล้วยกินนอนพักผ่อนสบายพขาพอใจที่ได้จับปลาได้เพียงแค่นั้นในวันนี้วันต่อไปก็จะออกไปจับนี่ระหว่างที่กำลังนอนคิด เ, เล่นเพลิ น, ลน ส, บสบายก็มีเศรษฐีคนหนึ่งก็บอกว่าอ่ะทาไมจึงไม่ไปออกเรือหาปลาอีกครั้งหนึ่งหนุมเนี่บอกว่าออกไปทำไมอ้าวออกไปหาปลาเที่ยที่สอง่ะจะได้ปลามากขึ้น ได้ปลามากขึ้นมาทาไมจะได้ขายได้เงินมากขึ้นไงขายได้เงินมากขึ้นทำยังไงต่อไปจะได้มีเรือหลายลาเป็นกองเรือใหญ่เลยจะได้ไปหาปลาในทะเลลึกได้ปลาที่มันตัวใหญ่ๆและเป็นยังไงอ้าวจะได้มาขายได้เงินมากๆไงได้เงินมากเพื่ออะไรต่อไปจะได้ไม่ต้องต้องทำอะไรสบายๆนอนสบายๆไม่ต้องทาอะไรก็นี่ไง ก็นี่การ น, นอนสบายๆต้องทำอะไรเสถีกคนนั้นเนี่ยไม่มีความพอใจอยากจะได้มากๆพ็โตคิดดูเดเรือลําเดียวยังทุกแค่นี้นะถ้าเป็นกองเรือจะเป็นยังไงโอทุกมากคิดมากทำมากมันก็เหนื่อยมากใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะพอใจว่าเราทำได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเราค่อยคิดทำมากต่อไปพอใจในที่เราทาได้ แค่นี้ก็มีความสุขนะไม่ต้องมีเงินมากก็ได้ทำงานที่สุจริตแล้วก็พอใจในงานที่เราทำอันนี้คือความสุขเพราะนั้นคือบอกว่าความสุขอยู่ที่การพอใจในสิ่งที่เราทำได้เพราะนั้นเปลี่ยนชีวิตใหม่ทุกคนเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนมุมอมองชีวิตใหม่มันต้องพิสูจน์ตัวเองอย่าไปท้อแท้เปลี่ยนจากความท้อแท้มาท้าทายซะ ทำไมเราจะเป็นจึงจะเป็นคนดีไม่ได้ทำไมเราจะเป็นคนดีของสังคมคนที่หนึ่งไม่ได้จะต้องให้สังคมดีทั้งหมดก่อนหรือเราถึงไปคนดีนสังคมคนสุดท้ายอย่าเป็นคนดีคนสุดท้ายบางทีอาจจะไม่ทันได้ดีเป็นคนดีคนที่หนึ่งของสังคมนะั่พิสูจน์ตัวเองเมื่อเราดีแล้วในสังคมมันก็ดีไปเองนะเริ่มนักหนึ่งจากตัวเราเพื่อตัวเราเส็จแล้วมันก็จะดีไปเอง อันนี้พิสูจน์ได้ผมเองนี่ตอนที่พิการใหม่ๆคิดว่าเราเนี่ยจะต้องทนทุกข์ไปจนตายแต่เราคิดว่าเอาละ่ะเราลองเปลี่ยนชีวิตใหม่สิเราลองมาสนใจธรรมะเรามาปฏิบัติทําดูมันจะมีทางออกชีวิตได้ก็เรามาปฏิบัติทําดูแค่เดือนเดียวนะสนใจธรรมะแค่เดือนเดียวนะลงมือปฏิบัติเนี่ยจรรติแบบเนี้ย กำกระดิกมือเล่นรู้สึกตัวเอาชนะความคิดที่มันทอแท้จิตมันก็มีกำลังใจขึ้นมามันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยเลยด้วยการปฏิบัติธรรมแ น, นี้ใช้ความอดทนอดทนกับความอยากอดทนกับความโกรธให้กำลังใจตัวเองมีสติอยู่เสมอเสมอเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลย แต่ก่อนคิดว่าเราต้องเป็นทุกตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่มีทางแล้วมันรับรองตัวเองไนดะ้มันเปลี่ยนชีวิตเนื่ยได้แค่พิการในหมดโอกาสอยู่แล้วเธอเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนมามีชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่ใช่อยู่แบบสังาตายนะอยู่แบบมีความสุขด้วยเชื่อไหมว่ามีบางคนเนี่ยขอแลกนะขอแลกให้ให้เขาพิการอย่างผมเนี่ยแต่เขาต้องมีความสุขนะ เขาขอแรกมันน่ากลัวมากเลยถ้าพิการแล้วมีความสุขในผมว่าผมกลัวหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นคนพิการทั้งหมดจะได้มีความสุขซึ่งไม่จําเป็นเลยไม่จำเป็นเล ย, เเลยพวกเราเสามารถมีโอกาสที่หาความสุขในชีวิตได้โดยที่ร่างกายเป็นปกติเริ่มต้นจากคิดในสิ่งที่ดีแล้วก็ลงมือกระทําถ้าเราไม่คิดดีเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวควาคิดไม่ดีมันก็จะแทรกใช่ไหมถ้าคิดไม่ดีขึ้นมาแบบเนี้ย ความคิดดีมันก็ไม่เกิดขึ้นพยายามคิดดีเอาไว้ป้องกันความคิดที่ไม่ดีแล้ะคิดแต่เดียวไม่เพียงพอต้องลงมือกระทําด้วยต้องทําดีด้วยถ้าทําดีแล้วเนี่ยไอ้ความทําไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมในน้อยศีลห้ามีให้ครบศี่ห้ามีให้ครบการกินการนอนการเสพกามการกลัวภยัยทุกคนมีเหมือนกันหมดทั้งสัตว์เดรัจฉานแล้วก็นมนุษย์ แต่มนุษย์นั้นดีกว่สาวสัตว์เพราะมีศีลห้าจึงจะมีครบว่าเป็นมนุษย์ลงมือไปแบบคือถือศีลห้าแล้วก็ทําประโยชน์กับส่วนรวมตัวนี้จะเกิดความภูมิใจความสุขเกิดจากการทําให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยคือทําแหน่มีความสุขเช่นมาในวันเนี้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยที่อาส า, ามาเนี่ยคือมาแบบมีความสุขที่ได้มาทําประโยชน์พวกเรานี้ก็เป็นคนบุคคลที่ทําให้ผมได้ทําประโยชน์ ร่วก็ทำปไปโยชนชีวิตมันก็เปลี่ยนได้เชื่อไอมหมที่พูดเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะลองทําดูก่อนทาดูก่อ น, นคื อ, อยาขาดสติยาขาดกำลังใจอยาขาดความอดทนสามอย่างนี่แหละจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนใหม่ได้